เจริญพ น, นท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุสมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทาน มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นกำไรของชีวิตของพวกเราเพราะบุญกุศลนี้เราสามารถเอาติดไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้ว ร่างกายตายไปแต่เราคือใจไม่ตายไปกับร่างกายเราไปต่อสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญหรือบาปถ้าเอาบุญไปก็เหมือนกับเอาทรัพย์ไปเอาเงินทองไปถ้าเอาบาปไปก็เหมือนเอาหนี้ไปไปแล้วก็ต้องไปใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรม ไปเกิดในอบายเป็นที่ไปใช้นี่ของใจที่สร้างบาปสร้างกรรมส่วนใจที่สร้างบุญสร้างกุศลก็จะไปรับรางวัลไปรับทรัพย์ที่ในสวรรค์นี่เป็นกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรงทรงตรัสรู้ทรงค้นพบด้วยปัญญา ที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบจิตใจถ้าไม่สงบ ก, ก็เป็นเหมือนน้ำที่ไม่นิ่งน้ำไม่นิ่งจะมองไม่เห็นอะไรที่อยู่ในน้ำแต่ถ้าน้ำนิ่งน้ำจะใสจะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำเห็นตัวปลาเห็นเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในน้ำ ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่นิ่งจะไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์จะไม่เห็นกฎแห่งกรรมจะเห็นแต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งจะคอยสร้างความขุ่นโัวให้กับจิตใจจึงทำให้ไม่สามารถเห็นสิ่งที่ควรเห็นได้เพราะถ้าเราเห็นว่าเราตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้ว เราไม่ได้ตายไปด้วยเราต้องไปต่อและเราก็จะเอาบุญหรือเอาบาปนี้ไปกับเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าทำบาปกันเราก็จะมีกำลังใจที่จะทำบุญให้มากเพราะเรารู้ว่าการทำบุญนี้ไม่สูญเปล่าเหมือนกับคนที่มี จิตใจที่ขุ่นมัวจะคิดกันเพราะไม่เห็นว่าใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายนั่นเองแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบให้ใสให้สว่างได้เราจะเห็นสิ่งเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ในเรื่องเวียนไห้ตายเกิดนี่คือการมาวัดเพื่อมาเอากาไรของชีวิตตอนนี้เรายังมองไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นแต่เราก็อาศัยศรัทธาความเชื่อเหมือนคนตาบอดเชื่อคนตาดีให้คนตาดีนำทางไปเพราะเชื่อว่าคนตาดีนี้ เห็นอะไรต่างๆที่เราคนตาบาดคนตาบอดมองไม่เห็นกันนั่นเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ขาดทุนเราก็จะได้กําไรเกอดมาชาตินี้ตายไปก็จะได้บุญไปได้กําไรแต่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากิเลสตันหามันก็จะหลอกให้เราทําบาปทำำํากรรม พราะมันมันจะบอกว่าทำไปแล้วไม่มีผลตามมานารกไม่มีการทำบาปจะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดในอบายทำได้ตามสบายอยากจะได้อะไรก็เอามาได้เลยอยากจะเอาสามีเอาภรรยาเอาลูกของคนอื่นก็ไม่ต้องไปขอให้มันเสียเวลา เอามาเลยอยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของใครก็แย่งมาเลยถ้ามีปืนก็ใช้ปืนขู่บังคับเขาเลยไม่ต้องกลัวไม่มีบาปตายไปแล้วก็จบเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องรีบตักตวงกำไรด้วยการเอาข้าวของเงินทองของผู้อื่นเพราะตนเองมีความเกียดคร้าน ไม่อยากจะทำงานทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่อยากจะสะสมเงินทองเอาไว้มีเท่าไหร่ก็อยากจะใช้ให้มันหมดพอหมดไม่มีปัญญาที่จะหาเงินได้ด้วยวิธีที่สุดจริตก็ต้องไปป้นไปค่าไปจี้ผู้อื่นแต่ตายไปก็ต้องไปตกนรกต้องไปเป็นเปรตต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน แต่เขาก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะเขามองไม่เห็นนั่นเองแล้วก็ไม่เชื่อคนที่มองเห็นเช่นพระพุทธเจ้ากลับหาว่าพระพุทธเจ้าหลอกสอนเรื่องงมงายสอนเรื่องที่ไม่มีจริงสวรรค์นรกอยู่ตรงไหนเขามองไปที่ไหนก็มองไม่เห็นมีสวรรค์หรืนรกเพราะเขาไม่ได้มองที่ตั้งของสวรรค์และนรกนั่นเอง เขาไม่รู้ว่าสวรรค์นรกนี้ก็อยู่ในใจของเรานี้เองเวลาใจเรามีความสุขเราก็ขึ้นสวรรค์เพราะว่าคำว่าสวรรค์ก็คือความสุขใจเวลาที่เรามีความร้อนใจมีความทุกข์ร้อนกังวลหวาดวิตกต่างๆนาน า, นาตอนนั้นใจของเราก็เป็นนรกแล้ว นี่คือนรกและสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและทรงนาม า, มาสั่งสอนแต่มีคนไปเขียนไปวาดภาพว่าสวรรค์อยู่บนฟ้ามีนางมีเทวดามีนางฟ้าติด ป, ปีกบินไปบินมาหรือว่านรกก็อยู่ใต้ดิน ม, มีกระทะทองแดงนี่เป็นการวาดภาพซึ่งไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง ภาพที่วาดนี้เพียงต้องการจะสื่อถึงความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่บนท้องฟ้าอยู่กับสิ่งที่สวยๆงา ม, งามเราจะมีความสุขใจส่วนเวลาเราต้องอยู่ลงไปอยู่ใต้ดินไปอยู่ในกระทะทองแดงที่ร้อนเราจะมีความทุกข์ทรมานใจ นี่เป็นสื่อที่เพียงจะสอนเราให้รู้ว่านรกและสวรรค์นั้นก็คือความรู้สึกที่สุขหรือทุกข์นั่นเองถ้าเป็นความรู้สึกสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าเป็นความรู้สึกทุกข์ก็เป็นนรก <c oughs> ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เรากำลังสร้างสวรรค์และสร้างนรกไปที่เราเล็กเทียบน้อย <c oughs> เช่นวันนี้เรามาทําบุญ เราก็สร้างสวรรค์ใจของเราก็มีความสุขแต่วันไหนถ้าเราเกิดมีความโกรธมีความเกลียดหรือมีความอยากได้อะไรมากๆเราก็ไปทำบาปไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงใจของเราตอนนั้นก็จะทุกรุ่มร้อนใจขึ้นมาก็เป็นการสะสม บาปเข้าไปไว้ในใจสะสมนรกเข้าไปในใจนั่นเองทุกครั้งที่เรามีความสุขจากการทําความดีก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็เหมือนกับเราไปกู้หนี้ยืมสินมาจากธนาคารเป็นหนี้ที่เราจะต้องใช้ต่อไปพอถึงเวลาที่เราตายไป เขาก็จะรวมบัญชีเขาก็จะรวมยอดดูว่าทบัญชีบุญที่เราทำไว้นี้มีเท่าไหร่บัญชีบาบนี้เราทำไว้มีเท่าไหร่อันไหนมีมากกว่ากันถ้าบัญชีบาปมีมากกว่ากันก็ต้องไปใช้บาปก่อนแล้วถึงค่อยมารับบุญถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบาปก็จะไปรับบุญก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้บาบที่หลัง ถ้ากลับมาเราก็มากลับมาเกิดใหม่แล้วเราทำบุญใหม่ทำบาปน้อยกว่าทำบุญตายไปเราก็ยังประกับไปสวรรค์ได้ไม่ต้องกลับไปนรกเพราะว่าเราทำบุญมากกว่าทำบาปนั่นเองนี่คือเรื่องของบาปบุญที่อยู่ในใจของเรานารกสวรรค์นี่อยู่ในใจของเราเวลาตายไป เวลาร่างกายตายไปปั๊บบัญชีมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้าบุญมีมากกว่าบาปใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ทันทีแล้วก็จะสวยของสวยบุญสวยสวรรค์นี้ไปจนกว่ามันจะหมดพอหมดแล้วเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อย่างที่พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวชสันดร ก็ทำบุญอย่างมากมายมีอะไรก็ยกให้คนอื่นหมดพอตายไปบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปก็ไปใจก็เป็นสวรรค์ได้เป็นเทพไปจนกว่าหมดบุญนั้นพอบุญนั้นหมดแล้วก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อแล้วก็มาทำบุญใหม่มาทำบุญให้ทานสละราชสมบัติออกบวชรักษาศีลปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญปัญญาจนได้ตัดสุเป็นพระพุทธเจ้าใจก็เลยกลายเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมเรียกว่านิพานนิพานานี้เป็นสวรรค์ชั้นสุดยอดเป็นปรมังสุขขังเป็นปรมังสวรรค์เป็นสวรรค์ที่สูงสุดที่ดีที่สุดเพราะเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆที่เรา ทำบุญแล้วเราก็ไปรับผลของบุญที่เราทำทำไปแล้วก็เหมือนกับอาหารที่เรารับประทานกินเข้าไปแล้วตอนต้นก็อิ่มแล้วสักระยะหนึ่งความอิ่มนั้นก็จะหมดไปเพราะอาหารถูกย่อยไปหมดบุญที่เราทำก็เหมือนกันเวลาเราทำบุญใจของเราก็เป็นสวรรค์แต่ก็เป็นไม่ไม่นานแล้ว บุญที่เราทํามันก็จะจางหายไปสวรรค์ก็จะจางหายไปเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญทําบาปกันใหม่ต่อไปถ้าเราโชคดีมาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีการสั่งสอนเรื่องการทําบุญเรื่องการละบาปเราก็จะได้มีโอกาสทําบุญละบาปกัน แต่ถ้าเราไปเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือในประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธเราก็จะเห็นว่าเขามีแต่จะทำบาป ก, กันมากกว่าทำบุญค่าฟันกันเหมือนเป็นผักเป็นปลาลองไปแถวประเทศตะวันออกกลางดูแถวประเทศแอฟริกาดูประเทศเหล่านั้นไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ใจของเขาก็เลยถูกกิเลสตัณหาความอยากต่างๆเป็นตัวผลักดันไปเป็นตัวสอนให้ไปทำบาปเพราะเวลาเกิดตัณหาเกิดกิเลสความโลภแล้วมันจะไม่สนใจเรื่องทาบุญจะไม่กลัวบาปกอให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เท่านั้นนะยังมีการฆ่าฟันกันมากมีการ พระพุติผูตประเวณีมีการขม่มข่มเหงรังแกเพศเพศหญิงมากไม่เหมือนกับประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเพราะคนที่อยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนานั้นมีคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองมีฮิริโอตปะคือมีความอายในการทำบาปและมีความกลัวบาป เพราะกลัวจะต้องไปใช้กรรมในอบายนั่นเองต้องไปใช้กรรมในนรกต้องไปเกิดเป็นเปรไปเป็นเดรัจฉานอะสังคมของชาวพุทธจึงอยู่กันอย่างร่มเย็นกันสุขมากกว่าสังคมของของของที่ไม่มีศาสนาพูดอยู่นี่เป็นโชควาศาสนาของเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้ เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้หลุดมือไปแล้วควรจะพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนปรากฏมีพระศาสนาขึ้นมาภายในใจของเราคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันเพราะว่าถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังจะอยู่ไปในใจของเราต่อไปเราจะมีพระพุทธศาสนาสอนใจเราไปทุกภพกทุกชาติจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันแล้ว หลังจากที่เราตายไปคาสอนที่เราได้เรียนรู้มานีมันจะค่อยๆจางหายไปและเราจะลืมไปหมดเวลาเรากลับมาใหม่ในชาติต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่เราก็จะถูกกิเลสตัณหาความหลงหลอกให้เราไปทําบาป ท, ทากรรมได้แต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้ว เช่นเป็นพระโสดาบันแล้วเราจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะไปเกิดอีกกี่พบกี่ชาติก็ตามจะรู้อยู่ในใจเสมอว่าการทำบาปนี้จะเป็นการสร้างนรกสร้างความทุกข์ให้แก่ใจพระโสดาบันจึงไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วใจของท่านใสสะอาด พอที่จะเห็นนรกและสวรรค์ว่าอยู่ในใจและรู้ว่าเกิดจากการทําบุญหรือทําบาบนี้เองพระโสดาบันจึงมีพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านต้องทําอะไรนั่นเองท่านรู้ว่าท่านไม่ทําต้องไม่ทําบาปต้องทําบุญต้องชําระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปเพื่อที่จะได้ได้สวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือได้พระนิพพานนี่เองท่านก็จะทําของท่านไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นอะไรไม่สําคัญเพราะท่านเป็นเหมือนคนที่ตาบอดแล้วได้รับการรักษาจนดืมตาขึ้นได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องอาศัยให้คนอื่น พาไปเหมือนปุตุชนอย่างพวกเราถ้ายังเป็นปุตุชนอยู่กลับมาชาติหน้าก็ยังต้องมาเป็นปุตุชนใหม่ก็ยังเป็นคนตาบอดอยู่แล้วก็ต้องอาศัยคนตาดีสอนเราหรือถ้าคนที่สอนเรานี้เป็นคนที่ตาบอดเขาก็จะสอนเราไปในทางที่ผิดแล้วเราก็จะไปทาในสิ่งที่บาปที่เป็นบาปเป็นกรรมต่อไป ดังนั้นเวลาที่เราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพยายามสร้างดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาให้ได้อย่างน้อยต้องบรรลุพระอริยมรรคอริยผลขั้นที่หนึ่งให้ได้ก็คือขั้นโสดาปติมัคโสดาปติผลด้วยการ ทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือทำใจให้สงบให้นิ่งเวลาใจไม่สงบไม่นิ่งนี้จะสอนธรรมะสอนความจริงให้กับใจจะถูกกิเลสมาตต่อต้านจะไม่ หรือมาดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าใจสงบแล้วกิเลสจะถูกกดเอาไว้หรือเหมือนกับถูกฉีดยาสลบทำให้กิเลสไม่สามารถออกมาต่อต้านเวลาที่เราพิจารณาจเจริญวิปัสสนาภาวนาได้นั่นเองการจเจริญวิปัสสนาก็เพื่อเป็นการสอนใจ ให้รู้ว่าความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาครอบครองนี้เป็นอย่างไรกันแน่ถ้าไม่มีวิปัสสนามาคอยสอนใจเราจะหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปครอบครองนี้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับตามความต้องการของเราได้ แต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ใจเรามาครอบครองนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเมื่อเป็นเป็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ใจเพราะใจอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเดิมแต่สักเขาไม่เป็นเหมือนเดิม เช่นเราได้แฟนมาใหม่ๆเขาก็ดีไปหมดทุกอย่างเราก็อยากจะให้เขาดีอย่างนี้ไปตลอดแต่แล้วไม่นานเขาก็เปลี่ยนไปเคยดีก็ไม่ค่อยดีแล้วหรือจากไม่ค่อยดีก็กลายเป็นร้ายไปก็มีเมื่อก่อนก็ดูแลรักษาเราปกป้องคุ้มครองเราตอนหลังกลับมาทุบทําลายมาทํำลายเราเสียอีเสียเองเพราะเขาก็ไม่แน่นอน เขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียอกเสียใจเราก็ทุกข์สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราตอนนี้กลายเป็นให้ความทุกข์กับเราแล้วเพราะเราไม่เคยศึกษาไม่เคยสอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอย่าไปลักอย่าไปอยากได้อะไรเพราะไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราไปเสมอมีเปลี่ยนแปลงจากสุขก็เป็นทุกข์ได้เพราะเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เราต้องอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปติดถ้าเราทำใจได้เราจะไม่ทุกข์ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนไปก็เรื่องของเขาเพราะเราฉลาดเราไม่หลงแล้วเราไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรเมื่อไรเราไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือวิปัสสนาคือปัญญาที่จะสอนให้เรานี่ปล่อยวางแล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่ามีอะไรเกิดเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้ามีเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ต้องดับถ้าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วทุกภพทุกชาติเราจะไม่หลงเราจะไม่อยากจะได้อะไรเรามีแต่อยากจะปลดปลดปล่อยความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เรายังยึดติดอยู่ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับร่างกายของเราก็จะพยายามปล่อยให้ได้เพราะรู้ว่าร่างกายของเราก็ เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราต้องพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะมีความกล้าหาญที่จะปล่อยวางร่างกายมันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปนี่คือวิปัสสนาพอปล่อยได้แล้วก็จะ หลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งที่เราไปยึดติดนั่นเองทีนี้เราก็รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่การปล่อยวางนี่เองถ้าเรายังยึดติดสิ่งใดอยู่ทีนี้เราก็จะพยายามปล่อยวางให้ได้นั่งสมาธิให้มากขึ้นสอนใจให้มากขึ้นให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ต้องดับให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ให้เห็นว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้พอเราสอนใจไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะถอนอุปทานออกมาปล่อยวางไม่ต้องมีอะไรกับมีความสุขมากยิ่งกว่ามีสิ่งต่างๆพอมีสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีความทุกข์ต่างๆตามมา มีภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยามีสามีก็ต้องทุกกับสามีมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง dinero, พระพุทธเจ้าท่านชลาาท่านมีปรรัญญาท่านมีสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่ทำไมท่านไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะท่านรู้ว่ามันทุกข์นั่นเองมันไม่สุขท่านถึงต้องหนีออกจากวางัง ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบขอทานแต่ใจกลับมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ในวังห้อมร้อมไปด้วยทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพราะท่านเห็นด้วยท่านมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีเกิดก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วมันจะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดได้อย่างไรพอมันเปลี่ยนไปความสุขที่เราเคยได้รับจากมันก็หายไปเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้นั่นเองนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้มีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้ว เราก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดติดพอเราปล่อยวางแล้ว mm hmm. เวลาเขาเสื่อมจากเราไป mm hmm. เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรากลับโล่งใจเบาใจสบายใจเพราะหมดภาระกันไป mm hmm. เวลาอยู่ด้วย ก, mm hmm. กันก็ยังต้องคอยดูแลกัน mm hmm. เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. ก็ต้องรักษาเขา mm hmm. เวลาเขาเดือดร้อน mm hmm. เราก็ต้องช่วยเหลือเขา แต่พอเขาตายไปจากเราไปแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องดูแลรักษาเขาอีกต่อไปเมื่อก่อนถ้าไม่มีปัญญาเวลาเขาจากเราไปเราก็จะร้องห่งร้องห้าเศร้าโศกเสียใจแต่พอมีปัญญาแล้วพอเขาจากเราไปแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกับโล่ง อ, อกสบาย อ, อกสบายใจไม่ต้องมาห่วงใยกันอีกต่อไป ไม่ต้องมาดูแลกันอีกต่อไปนี่คือปัญญาที่จะปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเราให้ใจของเรานี่กลายเป็นสาวกลายเป็นสวรรค์ที่ถาวรจะไม่มีนรกอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเจริญปัสสนาอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราจะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ และความที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสิ่งต่างๆได้เราก็จะไปหลงติดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้มาแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาสร้างนารกขึ้นมาภายในใจแทนที่จะสร้างสวรรค์เราก็ต้องมาสร้างความทุกข์ใจคือนรกขึ้นมาในใจเราเพราะความหลงไปรักไปชอบไปอยาก ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองนี่แหละคือการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้กำไรเกินมาชาตินี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาและไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนาเราจะขาดทุนเพราะเราจะต้อง ไปเกิดในอบายไปใช้บาปใช้กรรมแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้กาไรเราจะสร้างแต่บุญสร้างแต่สวรรค์ภายในใจของเราเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราไปรับผลบุญคือสวรรค์นี้ลถ้าเราทำจนถึงสวรรค์ขั้นสูงสุด เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเราก็จะมีสวรรค์ที่ถาวร น, นี่คืออนิสงค์ของการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นกำไรของชีวิตที่แท้จริงที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดจากมือเราไปเราควรที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือให ทำความดีให้ทำบุญมากๆให้ละบาปมากๆแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากนารกทั้งหลาย mm hmm. การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย